ในสมัยพุทธกาลนะว่าครั้งที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เขาขิจกูฏนะกรุงราชครืไม่ไกลนะ่ก็มีนางทาสีหรือนางทาตคนหนึ่งนะชื่อปุณณนะปุณณะทาสีแก ย, ยากจนนะรับจา้างสารพัดนะรวมทั้งตำข้าวด้วยคืนนั้นแกก็ตำข้าว ทำข้าวทั้งคืนเลยแล้วคืนนั้นเนี่ยเธอก็มองออกไปที่ขขเขาคี่จกูดก็เห็นแสงไฟว่าว่าบำแบมตอนนั้นก็ดึกแล้วนะนางปุณธาสีก็สงสัยว่าเอ๊ะเพราะคุณเจ้าดึกแล้วทำไมยังไม่หลับไม่นอนหรือว่ามีพระป่วยหรือว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรขึ้นมาให้เราเนี่ยนะอยู่ดึกดื่นๆเพราะว่าต้องรับจ้างเขานะ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 พระพุทธเจ้าก็ทรงอย่างทราบถึงความคิดของนางปุณณธาสีก็เลยตัดให้พานนลเนี่ยเอาอาสนะมาวางเอาผ้านิสิตนะเนี่ยก็คือผ้าสนานี่ยมาวางแล้วก็ฉันตรงนั้นเลยนะฉันให้นางเห็นเลยนะว่าเนี่ยแม้กระทั่งข้าวจี่เพียงแค่ปั้นสองปั้นพระองค์ก็ยินดีจะฉันนะนางปุณณธาสีก็ปลื้มใจนะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รังเกียจอาหาร หรือว่าบินฑบาต ท, ที่นางถวายเลยแม้จะเป็นแค่ของที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรก็แค่ข้าเข้าเปล่าๆนี่แหละพระองค์ก็ฉันให้เห็นเลยฉันเสร็จพระองค์ก็สนทนากับนางปุณทาสีว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอดูหมิ่นอะไรอพระสงฆ์นะนางปุณณาสีก็ตกใจว่าไอู้้เจ้าได้ทราบความคิดของนางด้วยหรือ ก็บอกวไม่ได้ดูหมิน่นเลยนะเพียงแต่สงสัยว่าดึกแล้วทําไมว่าคุณเจ้าไม่นอนนะมีอันตรายหรือเปล่าจะป่วยหรือโดนงูกัดไหมส่วนข้าพระองค์เนี่ยนะที่ต้องทํางานดึกเดินกรเพราะนะความยากจนนะมีคนสั่งให้เจ้านายสั่งก็ต้องทําพระเจ้าก็รับทราบนะที่จริงพระองค์ก็รู้รอยู่แล้วนะเพียงแต่อยากจะเริ่มต้นการสนทนากับนางปุณธาสี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 ประการแรกคือว่าเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมนะเป็นของที่ตั้งใจถวายตอนที่ให้ก็ให้ด้วยจิตผ่องใสให้หรือถวายเสร็ก็ใจเบิกบานอันนี้ก็จะได้บุญมากมันไม่ได้ยึดขึ้นอยู่ที่จํานวนหรือราคาของของที่ถวายแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จํานวนเงนินเงินนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้มาโดยความไม่บริสุทธิ์นะ หรือได้มาด้วยการเบียดบงังเบียดเบียนก็ได้บุญน้อยนะพวกเราคงได้ยินนะชื่อหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตท่านเป็นพระสมัยรา ก, การที่สามและการที่สี่แล้วก็ต้นราชการที่ห้ามีคราวหนึ่งก็ท่านได้รับนิ ม, มนต์จากเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อใหญ่แฟงนะใหญ่แฟงนี่แกรวยไม่ได้ยังไงแกรวยได้จากการที่แกเปิดซ่องนะ สมัยก่อนซ่องนี่ถูกกฎหมายนะไม่มีการห้ามนะนางผู้หญิงาาเป็นแม่เล้านั่นเองนะรวยจากการที่เป็นแม่เล้าเราก็ได้เงินมามากมายเป็นกำไ ร, รที่ได้จากผู้หญิงที่ขายตัวได้เงินมามากก็อยากจะทาบุญก็เลยสร้างวัดวัดนั้นชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงนะที่กรุงเทพเนี่ยนะแถว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 แต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยคณิกาผลคือเป็นผลของนางคณิกาก็กลายเป็นว่าคณิกาเนี่ยที่ได้บุญนะคณิกาคือิงโฉบเนียได้บุญนะได้บุญมากนะส่วนานางยายแฟงนี่ก็ได้บุญมันก็แต่ได้น้อยนะเพราะว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่เรียกว่าไม่บริสุทธินะ์ร้อยเปอร์เซนตะเป็นเงินที่ได้มาจากการเบียดปังผู้หญิงนะหลวงพ่อตัวท่านไม่ได้รังเกียจนะผู้หญิงโฉบเนีเนี่ย พอท่านก็เห็นว่าเออเขากา็เป็นนับพนนับแหลกของเขาแต่ว่าเขาถูกเบยดบังโดยแม่เราอันนี้ก็เปรียบเทียบสองเรื่องนะว่าคนหนึ่งเนี่ยก็มีแค่ข้าวข้าวจีแค่ปั้นสองปั้นนะแต่ว่าบุญที่ทานบุญที่เกิดจากการถวายนี่อานิสงส์มากส่วนยญ่แฟงนี่ถวายเงินเยอะเลยนะสร้างวัดทั้งวัดเลยแต่ว่าบุญที่ได้น้อยได้แค่สลึงเฟืองเดียวนะ อันนี้ก็ไปพิจารณานะว่ า, าบุญนี่มันเกิดจากอะไรนะไม่ได้ที่จำนวนเงินอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่การวางใจอย่างถูกต้องนะ น, นี้เราไปเข้าใจาบุญเนี่ยต้องจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินนะจะถวายผ้าถ้าเป็นผ้าที่ราคาแพงก็ได้บุญมากอันนี้มันก็ยังไม่แน่เสมอไปนะอยู่ที่ใจด้วยใจนี่มีจิตผ่องใสไหมถวายแล้วใจเบิกบานหรือเปล่านะ งั้นพวกเราก็รู้จักการทำบุญให้ทานอย่างถูกต้องนะมันถึงจะได้เกิดอันนี้สง์มากอ่แล้วก็เตรียมรับพร